ไปมีครอบครัวมีลูกมีอะไรหวังหวังหวังเาว่าจะมั่นคงเรามองสังคมจริงๆทุกวันนี้คนแก่อยู่ตามลำพังเยอะแยะเลยนะคงตายทีหนึ่งหลายหลวันแล้วข้างบ้านค่อยรูนะ้ส่งสัญญาณกลิ่นไปเขาค่อยรู้อะไรแต่ไม่เหมือนคนมีธรรมะนะคนมีธรรมะเราภานาของเราทุกวันนะเรามองอนาคตข้างหน้ามันดีกว่านี้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 ปลดคงจะค่อยๆปริยังไม่ถึงขั้นแหกกันนะแลต่แค่ๆปริแล้วเข้าไปกราบท่านนะท่านนอนอยู่บนเตียงแบบของโรงพยาบาลไขได้นอนอยู่ในเจดีนั่แหละใช่ไหมนีไม่ใช่อยู่ที่กุฏิพอเข้าไปนะพระก็ไขท่านก็ขึ้นมานั่งขาเหยียดๆพอกราบเสร็จเงยหน้าขึ้นมาชี้นะากี่รรศา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 หลวงู่สุวั์ไม่สบายนะปกติแข็งแรงนะวันหนึ่งรถกว่มํมรถกว่ามแล้วเลยท่านเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นไปหาท่านทีแรกเจอท่านครั้งแรกท่านยังเดินได้แล้วไม่เจอหลายปีไ่เจออีกทีท่านเดินไม่ได้แนกะ็เข็นออกมาเข็นออกมานะท่านนั่งอยู่บนรถเข็นนะท่านก็ลำพึงลำพัน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 เราเคยมีสติรู้ทันไปเรื่อนะรักษาศีลง่ายนะรักษาศีลเนี่ยศีลทาให้กายวาจาเรียบร้อยแต่เวลารักษารักษาที่ใจนะถ้ารักษาใจได้นะกายวาจาเรียบร้อยไปเองนะถ้า ก, กายวาจาไม่เรียบร้อยก็เพราะใจมันไม่เรียบร้อยเรามีสตินะรักษาใจของเราอันนี้หลวงพ่อยังใช้คาว่ารักษาใจอยู่นะรักษาจิตใจยังไม่ใช่ขึ้นวิปัสสนา